น, นิพพานว่า น, นิพพานคืออะไรโดยย่อประการที่สองจ ะ, จะปฏิบัติอย่างไรให้ถึงซึ่งกระแสคอ น, นิพพานแล้วประการที่สามเพราะว่ารื่งวัดว่าได้ต้นทางแล้วมีอยู่อย่างไรบ้างสำหรับเป็นเป็นเครื่องหมายให้กับผู้ปฏิบัติประการที่สี่ก็คือว่า จะปฏิบัติต่อไปอย่างไรจึงจะรับสั่นสําหรับผู้ที่ได้ต้นฐานแล้วในประการสุดท้ายจะให้จะกราเดินฐานเ ก, กี่ยวกับว่าที่สุดของการเดินทางมีอะไรเป็นเส่นหมายว่าไม่ต้องไปไม่ต้องมาถึงผสมแม่ความโดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วจะผมแค่จะขยายความเพ่มไป น, นิดหนึ่ ง, งเช่นว่ามีคนก็าก็สอนเรื่องนิพพานว่าเป็นเมืองอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็เข้าทิพยานออกทิพยานได้เป็นเป็นในความหมายที่เขาเชื่อจำในอีกอย่างหนึ่งนักหนาของปัญหาก็มีอยู่ในใ น, ในรูปแบบแาบนี้ก็ใค่จะจัดนักกา ร, าารขอโอ ก, กาสหลวงพ่อว่ามีเวลาเมือ่มอใดที่เหมาะสมก็ค่จะขอให้หลวพอช่วยพิาจารณาบรรยายเรองนี้ให้ด้วยก็เป วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หกธันวาคมสองพันห้าร้อยยิเก้าตรงกับวันขึ้นหกขําเดือนเกียงม้านหลาเพาบอกเดินเกียงเดือนหนีเดือนสามบางบ้านเขาบอกเดือนหุ่งเดือนสองเดือนสามยีเดือนอ้ายเดือนห่เดือนสามพูดไปไม่เหมือนกัน มันเป็นสมมุติพูดกันมันนี้นก็เป็นวันที่มีโอกาสหวงว่ายึงจะบรรยายธรรมะเรื่องวิพานให้คุณสัจพันธ์ฝั่งหรืว่าคุณสัจพันธ์ได้พูดไปไหนส่นเทพให้พูดเรื่องวิพานให้ว่าอย่างนั้นก็จะถือโอกาส พูดให้ในแบับนี้นข้อนิพพานนิพพานคืออะไรโดยย่อนิพพานก็หมายถึงรวมพยศหมดไปหรือรวมมีมาณะทิฏฐิหมดไปหรื อ, นะรอควมมีโทสัะโมหะ โมพะหมดไปหรืออีคำหนึ่งว่ากิเลสตัณหาอุปาทานหมดไปมีแต่ควรเป็นปกติมีวังว่างเม่เคยวิถนิพพานนิพพานจึงวะหมดคน้อนมีแต่คนเย็นอกเย็นใจไม่ใส่บะเอินไกลนิพพานนั้นจึงวะ อยู่ในคนทุกคนห น, นึ่งโยมจะเป็นผู้หญิงก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นผู้ชายก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นภาะสงฆ์องค์เลนก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนเขมรคนญวนคนลาวมีนิพพานเช่นเดียวกันจะทูอศาสนาไหน นักที่ใดนู่ผ้าซื้ออะไรก็ตา ม, มนิพพานเช่นเดียวกันนิพพานนั่นคือร ว, วมดับ้อนให้หมดไปมีแต่คนเย็นปกเย็นใจคนโบราณจึงว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้านิพพานก็อยู่ที่ใจแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะทำให้มรรคผลนิพพานปรากฏเกิดขึ้นหรือไม่ตนเองข้อที่สอง ปฏิบัติอย่างไรให้ถึงซึ่งกระแสภิยในิา่านการปฏิบัตินั้นก็ไม่เหมือนกับคนอื่นที่พูดมาสำหรับตัวหลวงพ่อเองเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทำกรรมฐานมาพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าเึดพ่านอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่รู้เพราะไม่ปฏิบัติอย่างนี้ การปฏิบัติอย่างนี้นนคือปฏิบัติให้มีสติดูับการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถเมื่อจะยกมือยกเท้าก็ให้มีสติสนี้สมมติเอาที่หลวงพ่อทำอยู่เป็นประจำาึ้กมือขึ้นให้มีสติขวามือลงให้มีสติ มือไปให้รู้สึกเอามือมาให้รู้สึกก้มลงให้รู้สึกเงยขึ้นให้รู้สึกเอียงซ้ายเอียงัวให้รู้สึกพิตาขึ้นให้รู้สึกตาเลี้ยงสายในคอให้รู้สึกตืนน้ลายลงไปในลาคอให้รู้สึกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกให้มีสติติดตามความรู้สึกนี้เอง จิตใจมันนึกม์มาคิดให้รู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วไม่ต้องหยิบต้องถอยวางไปทำอย่างนี้แหละเมรู้สึกมาหมดสัญญาควรหมายรู้จําได้ท่านมั้ยนะเมื่อเรื่องสัญญาควรหมายรู้จําได้บัดนี้งานก็เข้าไปรู้งานตัวเข้าไปรู้เมื่องานเข้าไปรู้แล้วปัญญาก็รับรู้ ทั้งสามอย่างนี่ประกอบเข้ากันด้วยว่ยางานของวิปปัจนาเกิดขึ้นให้แก่ผู้กระทำเช่นนั้นางานของิปัจนาเกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งรู้จริงตามตัวเป็นจริงเพราะศึกษาอยู่กับธรรมชาตินี่แหละศึกษาให้ได้กระแสรนะพระ น, นิพพานทําไมเจ้กระแสรพระ น, นิพพานอาจจะมีข้อสงสัยก็เพราะรู้ รู้พุทธนามรู้ลูปธรรมรู้นามธรรมรู้รูปโลกรู้นามโลกรู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้สมมุติสมมุติอะไรรู้ให้ครบให้จบให้ท้วงแล้วก็ลูกศาสตราสนารู้พุทธศาสนารู้บาปมูบุญมูจริงๆงทำอย่างนี้ไม่ยกเว้นใครทำก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้ตัวได้ดวงตาเห็นธรรมก็เห็นตัวเรา กำลังนึกกำลังคิดกำลังทำกำลังพูดนี่นี่เห็นธรรมเห็นธรรมแท้ๆอะไยไม่แปลผันตรงนี้ข้อที่สามเครื่องวัดว่าได้ต้นหางแ้วมีอยู่อย่างไรบ้างก็มีอยู่คือคนจะมองเมื่อตาไม่เห็นจักไม่ถูกดวย จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เพราะตาปัญญาเมียกว่าจักสุปัญญาดังนั้นคํนาว่าจักสุปัญญาเนี่ยคือเราพิตาเนี่ยมาตั้งแต่ตเด็กเลไม่ได้เกิดมาแล้วไม่คิดจะคิดอบอวันนี้ไม่ได้คือเงาพิจารณาโกรู้หายใจเข้าวกกรู้หายใจออกกกรูคือน้ำลายเราเป็นลาคอก็รู้จิตใจบรรึกบรรคิดโกรู้ ดูแลก็สบายคนโอกกลมโรคกลมหลงนดน้อยไปหรือถึงกับจะนึกไปก็ได้นี่แหะคำว่าได้ต้นทางคือรู้จิตใจมันนึกมันคิดมันเห็นจิตเห็นใจมันนึกมันคิดด้วได้ต้นทางเพ่อพระพุทธเจ้าตัดแต่รู้การทําทางจิตทางใจเราก็ต้องรู้จิตรู้ใจเห็นจิตเหใจตัวเองกําลังนึกกาลังคิดนีเองด้วยได้ต้นทาง เป็นเครื่อนหมายอย่างนี้มองไม่เห็นด้ยวยตาแล้วก็ไม่ต้องไหว้ผีไม่ต้องเลื่อนเลื่อนามยามดีไม่ต้องเสื้อ ส, สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจตั้งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราดังนั้ น, น, นจะมีภาสิกบทงวดตนเป็นเพิ่งแห่งตนจะไระพิ่งคนอื่นไม่ได้เพิ่งผีก็ไม่ได้เพิงเทวดาก็ไม่ได้ ที่สุดพ่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เช่นเดียวกันข้อที่สี่ปฏิบัติต่อไปอย่างไรจึงจะนัดสั้นนำหนักผู้ได้ต้นทางแล้วนั้นข่อปฏิบัติดูจิตดีใจดูคิดดูเองคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีขดตามเข้าห้องน้ําห้องช่วงขดตามปฏิบัติได้ทุกลมหายใจจึงเข้าจิตน้ำก็ได้ ทำการทำงานก็ได้เพราะมือทำงานใจดูใ จ, ใจมันยึดมันคิดเห็นรู้เข้าใจผ่านไปไม่ต้องเข้าไปยึดไปถือทําไม่้จะรักสั้นทีุ่ดเพราะเราเองเป็นคนทำอยู่ที่ไหนกอเราเองเป็นคนทำงานพูดก็เราเองเป็นคนพูดอยู่ที่ไหนเราพูดได้งานดูจิตดูใจบันยึดมันคิดขอเราเองเป็นคนดู ดูที่ไหนก็ดูได้งดรัดสั้นที่สุดไม่เลือกการเวลาทำอยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้ตรวจตรงเข้าไปสู่จิตใจให้รับให้กลุ่มเข้า่างนั้นข้อที่ห้าที่สุดการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่อนหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้ว เครื่องหมยอันนี้มองไม่เห็นด้วยตาจักไม่ถูกด้วยมือคือมันขาดออกจากกันนั่นเองด้วอไม่มีการติดต่อกันด้วดไม่ต้องไปและไม่ต้องมาติดต่อกันไม่ได้ตาตมาเคยทำให้ดูแต่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนใครมาก็พูดเรื่องนี้เพราะทุกคนต้องประสบเรนี้เอาเสื้อมาคูดไว้สองส้น เลือสองเสาหือเลือสองหลักดึงให้มันตึงตึงให้มันแข็งกว่านีน้ภาษาบ้านหลวงเขาเรียกว่าให้มันแข็งให้มันตึงดึงแร ง, งแล้วก็คู่ไว้แล้วเอาไี้ตัดตรงกลางพอดีตรงกลางมันขาดมันก็นแสดงว่อมันคลอนตัวเข้าไปถึงเสาหลักนั้นแล้วก็ถึงเสาหลักนี้มันจึงติดต่อกันไม่ได้จึงไม่ต้องไปและไม่ต้องมาและองเป็นอย่างนี้พวกคนณรเล่นไม่ได้ แต่ยังไม่เป็นเดียวนี้ยวนจะหมดลมหายใจต้อประสบเรื่องนี้จริงๆมันจึงจะเข้าสู้สภาพเดิมของมันได้อันนี้แหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องหมายแต่มองไม่เห็นด้วยตาจักไม่ถูกด้วยมือเรียกว่าบมเส่วนเองเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดผมขั้นเดียวผมพระองค์ไม่ยาวอีกต่อไป หาสองข้อเลยตามเด็มก็เพราะเรื่องเดียวตอนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญทุกคนต้องประสบเพราะทุกคนต้องตายแน่นอนที่สุดธรรมะแท้ จ, จริงสิ่งเดียวกันจะทูตศาสนาไหนก็ต้องไปที่ตรงนี้แล้วจะใครจะทําแล้วจะใครจะไม่ทํานี่แหละการดูจิตดูใจจริ ง, ร ง, รงเป็นสิ่งที่อัศาจรรย์ที่สุด คำว่าอาศัศจรรย์นี่ก็สิ่งที่ไม่เคยเป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีการเป็นการนี้อย่างนี้เป็นของที่อศัศจรรย์เพียงด้ยจิตด้ยใจเท่านั้นเองนั้นำคำนัะคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะถือศาสนาไหนลทัทธิใดก็มีเพราะมันมีจิตมีใจไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆ นี่แหละเป็นเครื่องมัอของนิพพานเมื่อวันนิพพานเข้าไปการอย่างนั้นเข้าไปตายอย่างนี้ออกจากตายอย่างนั้นออกจากตายอย่างนี้อันนั้นมันเป็นคำพูดของคนทั่วไปเป็นหัวข้อที่สั้นแบบนี้เมื่อขายายตัวออกไปการปฏิบัตินั้นว่าให้รู้สึกเพราะพระโ อ, อ์สอเอาไว้ ว, ว่ะให้มีสติ กำหนดนี้ในอุปยบททั้งสี่รูก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้ที่อย่างนี้ก็ยังไม่พอท่านยังย้ำเข้าให้มีสติเข้ามารู้ในอุปยาบทโดยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีเดวกว็ตามให้มีสตินี้การมีคนรู้สิบตัวนี่แหละโดยมีสติรู้ เมื่อมีสติรู้เขาเรียกว่าสัญญาสัญญาคามหมายรู้จำได้เนี่ยอันสัญญานั่นแหละทำให้ญานของวิปัสสนาเกิดขึ้นเมื่อสัญญานี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเคลื่องไหนโดย ว, วิทยกรรู้มากขึ้นมากขึ้นญาณปัญญาหมือญาณของวิปัสสนาเข้าไปรู้เข้าไปเห็น เข้าไปสัมผัสแม่แม่บอกจริงเหล่านั้นเรียกว่าสัญญาความหมายไม่จําได้ไม่หลงไม่ลมืไม่ต้องไปขึ้นดูกับตำรับตําลาเพราะมันเลยอยู่ในเราเป็นอย่างนั้นเรียว่าสัญญาความหมายไม่จําได้เพราะงานเข้าไปรู้เมื่องานสังเกล้ปัญญาก็ต้องหลบรู้มันไม่เป็นการ ผมอบรมจิตใจให้ท่องแพ่ว่อวงไวเมื่อจิตใจท่องแพวร่ว่องไวสะอาดดีแล้วตัดสินใจลงไปตัดสินลงไปการทำพูดคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ผ่าผิดเพราะปัญญารอบรู้ดีแล้วนี่แหละคำพูดคาสอนง่าย การกระทําอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศีลไม่เกี่ยวข้องเรื่องการให้ทานไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทําสมถกรรมฐานเพราะทาคนรู้สึกตัวล้วนควรแล้วอยู่ในวนรู้สึกตัวทั้งหมดเลยคนห้าไม่รู้สึกตัวแลวจะมีศีลไม้มไม่มีอยากเป็นการทาบุญไนมะไม่มีอยากเป็นการให้ทานเนี่ยไม่มี เป็นการรักษาศีลนะไ ม, ม่เพราะไม่รู้สึกตัวนั่นเอ ง, เ, อ ง, เ, องเป็นอย่างนั้นเมื่อนั้นวิจารนากับกรรมฐานจริงว่ามันเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันตรงกันข้ามมันเป็นอย่างนั้นทําไมจึงพูดว่าวิจารากรรมฐานมันเป็นปฏิปักษ์ตรงกันข้ามเพราะทุกคนว่าก่อนที่จะจะเรียนวิจาต้องทํากรรมฐานก่อนว่าอย่างนั้น อันนั้นก็จริงเราไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปศึกษากับครูอาจารย์จนได้สมบัติแปกอันนั้นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทางมรรคผลวิภานอะไรกันจากนั้นมาพระองค์ก็มากับพวกเป็นเจวคีทั้งห้าเนื่ยกินข้าวมีกินน้านกันลมหายใจเี่สัมีอุดเหนอุดจมู มัว ว, วิญญาณของตักต่างๆจะมาเข้าจมูกจะมาเข้าหัูเข้าตาเข้าที่ไหนก็ไม่รู้แหละอดเข้าอดน้ำํำพระองค์ทำถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ได้กัดกระโหลกยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทุกคนได้ยินเรื่องนี้อันนู้แหละพระองค์เจาทางมีเส้นทางทางม่เส้นทางเพราะพระองค์ทําแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเราทุกคน คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาไม่มาก่อนน้อยว่าทำเราได้เป็นไปพื่วามเบียดเหบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยไม่ควรศึกษาไม่ควรปฏิบัติตามเนี่ยพระองค์สอนไว้อย่างนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องคนอื่นหรอกมีพูดถึงเรื่องตัวเองช่วยเองไปนั่งภาวนาหลับตาขัดทำงานเพชรเล็กลกัมือ หัวเป็นมือซ้าย J L, เจ็ดแอลนี่เจ็ดเอลบ้านหลวงพเรียกว่าเจ็ดเอลปวดหนุนหมดไม่ยอมทิ้งยอมทิ้งนั่งทรมานอยู่นี่เนี่ยรูว่ามันเจ็บมันปวดที่ตรงไหนรู้ด้วยตรวนั้นนี่ยเนี่ยอันนี้แหละมันไม่เข้าใจมันทรมานตัวเองมันเดียดเบียตนตัวเองแต่เราไปยังทํามือไม่เข้าใจจึงจะได้ทําดังนั้น พระองค์สอนในทุกเ ม, ทกมืทุกหนึ่ะทํำเราได้เป็นไปเท่าควไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมเป็นวิเนเป็นคําสอนของพระพรุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัตินี่ท่าสอนอย่างนีน้แต่เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ทําไปทางครูบาอาจารย์สอนการนึกการคิด คิดอิจฉาพยาบาทมีคนพนดถือเยอถือตัวนี่นแหละเป็นการเบียดเบียนตนเองนี่นแหละเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดอยู่ได้อยู่เบียดเสายแม้จะทำบุญก็ตามคิดอยากทำบุญไปทอดกระถินบ้างนั้นไปบังสกุลบ้างนี้อันนี้นแหละเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นเมื่อไม่ได้สมหวังไม่ได้สนใจแ้วก็คิด พอใจไม่พอใจโกรกเกียดรังขึ้นภายในจิตใจนี่แหละเบียดเียดตนเองเบียดเ บ, บียนคนอื่นแง่คิดจะทนนําบุญก็ตามเพราะเพราะว่าจิตใจนั้นยังไม่เป็นปกตินี่ไม่เป็นอย่างนั้นเราเคยได้ยินอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระวักกะเล็กทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้พระวักกะเล็ก ไปชอบกับพระพุทธเจ้ามีลูกดูสมลูกสวยลูกงามชอบพอใจดูไว่อย่างนั้นพระวักกะลิศไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองพระองค์โกเลศด่าว่าอย่นั้ไรไลพระวักกะิศหนีหนีเดี๋ยวมาอยูาา่ที่นี่พระวักกะลิศโกเลเคียดหรือว่าเสีย อ, อกเสียใจก็เดินไปจะไปโดนเหียวตายว่าอย่างนั้น มาอาจารย์เล่าให้ฟังพระองค์ก็ไปต้อนไว้หรือไปนั sheet. ทเอาไว้วัะนั้นถามพระวรกลิศพระวรกลิศเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าสิพระวรกลิศก็เตอบว่าก็เข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนอะอันนี้ลูกอันนี้ตายเป็นไหมตายเป็นตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นพระวรกลิศก็ตายเป็นไหมตายเป็นเน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหม็นเป็นแล้ว อยากเป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไมงออย่างนี้พระวัคลิคก็เลยเกิดมีความสนใจอยากเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซื้อเข้าไปในตัวคมคิดเพราะพระวักริคกมีจิตใจที่มันเป็นปกติหรสะอาดสว่างสงบหรื อ, อุปเปกขาเหล่านั้นพระวักริคก็เลยเกิดความเข้าใจขึ้นมาอันนี้แสดงว่าเราไปจักเป็นปกธิฐาน เราไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาโดยเหตุผลดังนั้นพระพุทธเจ้าถาึงสนอนญาตาเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมายา่าเสื้อถือโดยเขานั่งดูกันมายาตเสื้อถือเห็นว่าเขาทำตามกันมายาตเสื้อถือเห็นว่ามันไม่อยู่ในตำลาัำพีอยา่าเสื้อถือเป็นการดลบันทึกคิดเอาเองสิพ่อถ้าอยากรูดีไปดูเอานังซึกลามสร มีเขียนเอาไว้หลายที่หลายทางคําว่าพระองค์ในพระวกรออกลิก ห, น, ห, น, ก ห, หนีหมายถึงนผมคิดเองนะนี่พระวรกลิกไปให้ค้นมนีไปให้ค้นอยากให้รู้ได้เห็นหมายถึงหนีจากผมคิดปรุงแต่งนั่นเองไปให้หึงไปให้ค้นอยากให้คนคิดปรุงแต่งอย่างสังขาร มันแตกจิตใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแตกเพราะไม่มีสัญญาเพราะไม่มีสัญญางานจึงเกิดขึ้นไม่ได้เมื่องานเกิดขึ้นมาเนีปัญญาจึงไม่หลอกลวงไม่ใช่สัญญ า, อาเอาของไว้ที่ตรงนเอาเสื้ อ, อไว้ที่ตรงนั้นเอากางเกงไว้ที่ตรงนี้มีเงินเท่นั้บาทมีทองคำเท่านั้นสนุปมีรถเดิเนไปอย่างนั้น มีนามีสวนเป็นยอันนั้นมันเป็นสัญญาของคนธรรมดาหรือของสัตว์ดังนั้นสัญญาอันนี้จึงไม่จัดเข้าเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณในตัวนี้คําว่าเวทนาก็เสวย อ, อารมณ์ไม่ทุกข์สัญญาก็เพราะเห็นนี้ไม่หลงไม่ลืสังขารไม่ถูกดึงหยุดได้บิน ญ, ญาณรู้ อันนี้แหละเป็นเครื่องมนะัดอันนี้แหละเป็นเครื่องหมายอันนี้แหละเป็นเครื่องเปล่นจิตสกิจใจเป็นทางเดินเข้าไปสู่นิพพานนิพพานนั้นจึงไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองมันอยู่ในคนนี่เองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนรู้นิพพานเอานิพพานไปใช้กับการกับงานทุกวิธีแม้จะทําการทํางานโดยวิธีใดก็าตามนิพพานนี่น่ะเป็นลุกตุ้มไม่เป็นเบ็ดรถ เน่กเป็นกระโมนเนี่ยไม่ให้เงววิ่งไปเร็วไม่ให้ลูกวิ่งไปเร็วเนี่ยตาฟังว่ามันหนักก็เอาลูกตุ้มท้มไว้คนจึงว่าดูกับนิดผานแต่ไม่รู้ยึดผ่านในตาธนาอ้อนรอนขอร้องเอานิพผานที่นอกตัวเราไปไม่เคยรู้ว่ายึดผานคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้เลยเมื่อไหร่ ขึนวัดของนิพพานถ้าหากว่าเราไม่มีนิพพานอยู่แล้วคนก็ตายเร็วโอดขึ้นมาก็ซกตายเร็วหีดังนั้นนิพพานจนงเ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป็นดุจยิ่งเรลองดูลงไปที่ในขาะเราฟังเทศก็ตามหรือทําอะไรก็ตามจิตใจมันวงว่างอยู่สบายสบายไม่ได้ยึไดไปคิดอะไรนั่นแหละทำาน่าอุเปกขา จิตว่างๆน่นแหละถนัดวางเสวยคือจิตใจของคนหรือชีวิตของคนมั น, นวา่วามันเผลอไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจจึงไม่รู้รสชาตของมิตรานไม่เคยเฉพาะมีแต่สัต์นะไม่เฉพาพมะพมีแต่คนนะพูดหลงไม่เฉพาะมีแต่คนนะสัตว์เบรศานก็มีเช่นเดียวกันเราจะมองเห็นได้ด้วยตาของเราสัตว์เบรศานยังอยู่นนะัก รูหมาแมวเรานี้เวลามันนอนสบายตง ว, ว่ามันก็มีแมวงูคุ้ยก็เหมือนกันไม่หลงไม่ได้ ว, วงูคุวยวยทางนี้อาจจะว่าววัวควายเราอย่งก็ได้มันก็มีว่างๆแต่สัญญามันก็นมีทำไมที่มีอย่างสุนักหรือหมาเนี่ยพอดีพักพวกมันนอนพวกมันลุกขึ้นไปเลยเนี่ยเพราะมันไม่มีสัญญามัน ไม่มีก็ไปกับสัญญาเสียงนั่นเองอันนั้นมันเป็นสัญญาของคนและสัตว์มีเหมือนกันแต่สัตนั้นไม่สามารถที่จะเอาสัญญาตัวนี้ออกมาใช้ได้และไม่เจริญสติได้สัญญาตัวนั้นจึงเจริญขึ้นไม่ได้คนเรามันทาได้ทุกคนไปคนเรามันทำได้ทุกคนไ ป, นนไนไปแต่เมื่อเข้าใจแล้ว อันที่เราทําคนสงบนั้นเนื่อกับเราอยู่ในถ้าเราเข้าไปในถ้ำจุดไฟคนมืดมันหายไปแต่คนมืดมันไม่หายมันอยู่ในเรานเองคนมืดมันไม่หายไปเอาไฟมาข้างหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟมาข้างซ้ามืดมันมาข้างขวาวมสงบแบบนั้นสงบแบบไม่รู้ สงแบบไม่อยากรู้รู่อย่างไม่รู้นี่ท่าสอนเอาอย่างนั้นรู่อย่างไม่แต่มันรู้ผมสงบ่างนั้นอันนั้นเรียกว่าสงบส ม, สมถกรรมฐานส่วนสงบวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกับที่เราออกจากถ้าไม่ต้องไปใยอยู่ที่แจ้งวเนืี้ไม่มีมองเข้าไปในถ้าเห็นรูปเล้านักษณะสังขานของถ้ำเห็นรูปทรงของถ้า เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุเกเนีทุกมุมอันนี้นี่ะความสงบของอ น, นิพพานนิพพานจิตตัวนีแ้แจ้งลู้จริงต่างเก่าเรื่องภาวะเดิมเพราะมุดคนสงสัยเพราะสัญญาตัวนั้นเกิดขึ้นทึงนว่าอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมามันเห็นมันรู้มันเข้าใจมันสัมผัสแนกไยแน่นอกสิ่งเหล่านั้นบนโกรงว่อ โ, โทสัต นเหนหลวงเงือกเงือหะเงนโลกเงือกโลกโตกหลงกว่าคืออยากได้ของคนอื่นหรืออยากได้ของสิ่งที่ไม่มีนั้นไม่ต้องเอาแล้วเงือนดีแจ้งเห็นจริงเการไปก็ไม่มีการมาก็ไม่มีเงือกว่าสฝึกเป็นอย่างนั้นดังนั้น่ะสมมุติเรียกเทียบให้ฟังเรื่องงานเกิดขึ้นเป็นพักเป็นลําดับเราจะพูดเอากันในงานอย่างที่ คนตกน้ําบ้านหลบพรดนคนตกน้ำบ้างที่กระโจนลงไปจนปุ๋งคนทีเดียวลงไปพราพื้นร้อนยันพื้นดินขึ้นมาโผล่หน้าขึ้นมาไม่ได้มองไปทิศทางทางใดจนไปอีกตายไปเลยคนคนนั้นด้วยคนไม่รู้จักชีวิต จ, จิตใจตัวเองนี่เป็นอย่าไยงไงบ้านนี้อีกคนหนึ่งกระโจนนั่งไปปุ๋งลงไปคนยันพืดิ ข, ข, ข, ขึ้นมาแรง งางเห็นทิศทางคือตะฟังอยู่ตรงนั้นแล้วก็พายายพายายลอยอยว่าย้ตะเกียร์ตะกายไปนี่อันนี้วะได้ดวงตาเห็นธรรมได้กระแสพระ น, นิพพานเพราะรู้จักว่าตะฟังอยู่บรง น, นั้นเป็นบัดนี้คนหนึ่งพอดีกระจอนน้า อ, อกไปจนปินดันเพื่อนึงขึ้นมาโทล่ขึ้นมา ลอยไปน้ำพ อ, อเพียงตึกยูเพียงแอลเหล่านี้ก็ลอยไปบ้างเดินเดินไปอีกคนหนึ่งต้นน้ำลงไปจนเป็นฟูขึ้นมาลอยไปน้าก็เลยเพียงกํางแข้งกลางขาเหล่านี้อีกคนหนึง่ง โยนน้าลงไปจนพิ้นพูขึ้นมาลอยไปน้าก็เลยเพียงกลางแข้งกลางขาเราเนี่ยเดินไปได้สบายขึ้นไปสู่บนบกเดินไปไปอย่างนี้อีกคนหนึ่งกระโจนน้าลงไปแล้วก็ยันขึ้นมาน้ำเพียงกลางแข้งนี่เนี่ยเดินไปไปนั่งสบายอยู่ลงมไม้เย็น แล้วแปลว่าหยุดนาไม่มีแล้วเป็นนางที่สบายแลยพาอผ่านไปที่ตรงนี้เองอันนี้สมมุติเห้ฟังมันเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นอาตมาไม่รู้เรื่องหนังสือเพราะไม่เคยเรียนหนังสืออันนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าพูดกับพระวักก็กว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเรา อย่า จ, จับสายกีวร์ลุ่นนี่มือเราอยู่พอไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นตัวเรากําลังทํากําลังนึกกําลังคิดนี่แหละอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมแท้เรื่องการปฏิบัตินั้นก็ต้องรู้ไปอย่างนั้นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปบัดนี้เราเคยได้ยินกันมาอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้เรียก ว, ว่ า, าพระพุทธเจ้าด่าพระวรกลิ ให้พักวัคกฤตหนีพักวัคกฤตก็ไม่เข้าใจหนีไปหนีไปไม่ม ไ, ม ด, ไปปกกมมด้หนีไม่ได้เดินไปบอกก้าวหนีจะข่มคิดแต่หนีไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทุกต้องกําหนดรู้นี่สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญยิโนดทําให้แจ้งอันนี้เราพูดกันติดจุกติดปากมานานแล้วแต่ไม่เข้าใจ ทุกําหนดรู้อย่างไรกดพิกดมือขึ้นให้มันรู้อันนี้มันทําได้มันเคลื่อนไหวไปมามันรู้มันทําได้จะก้มลงงยขึ้นมันทําได้พิกมือขึ้นก้มือลงมันทําได้อันนี้คนอื่นมองเห็นบัดนี้มันคิดพุ่ขึ้นมาเราไม่มียานปัญญาหรือควมสัญญาเรายังไม่แข็งแรงหรือปัญญาเรายังไม่แหลมผมมันก็เข้าไปในคนคิดมันก็รู้เรื่องนั้นโน้นนี่ไปบัตรนี้ พอดีเรามาทำรวมเคลื่อนไหวมีจังหวะคิดมือขึ้นมู้สึกเมื่อมันคิดขึ้นมาเรามาหยุดคนรู้สึกตัวนี้พรมคิดมันก็หยุดไปมันก็หายไปเองมันก็หายไปจิงไปจางไปมันคิดเรื่องหน้าขึ้นมาเราก็มายกรวมเคลื่อนไหวเหล่านี้เองอันนี้เนี่ยทกต้องกับหนึรู้สมุทัยคือตัวทุกต้องละมันละได้จริงๆมักต้องเจริญ มักต้องเจริญหน่อยจเจริญก็ทำบ่อยๆทำมากๆมกี่โลดทำให้แจ้งหน่อยเพราะทำถูกจุดเพราะทำถูกจุดกันรู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานครับสมถะกรรมฐานอยู่แยกทางกันเดินเมื่อคนในทำสมถะกรรมฐานได้คนสงบเมื่อว่ามีมิตรต่างๆ ครูบาอาจารย์สอนนั้นนั่งเงียบนิ่งหยุดไม่กระดุกกระดิกเนี่ยก็เรียว่าเราสงบมันสงบอยู่แบบนั้นเหมือน ก, นกันกับที่เรามีโรคทางเนื่อนหนังหรือทางไดอก็ตามกินยาระงักประสาทกินยาแก้ปวดหายหมอเอายาให้กินก็หายได้ชั่วคราวแต่โรคมันไม่หายมันเป็นเพียงระงักไวเท่านั้นเอง นิพพั ส, สนากรรมฐานนี่มันต้องผ่าตัดเอาเนื้อ้ายออกไปทิ้งสมมุติเราเป็นโรคอยู่น่ะมือมือเรามันจะเข้าไปส่วนลึกตัดทิ้งท่านว่าอย่างนั้นใช่ไหมันเป็นการตรงกันข้ามกับสมถกรรมฐานนิปพั ส, สนากรรมฐานคนที่เคยนั่งสงบบอกให้พลิกมือขึ้นยกมือไปให้มีควมรู้สึกคนเคยทํากรรมฐานไม่ชอบ นั่งสงบจิตสงบใจอยู่อย่างนั้นเลยมันก็ดีอันนั้นแหละมันจึงตรงกันข้ามมันจึงเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันคนทํากรรมฐานนั้นสอบนั่งขมสงบมาตัวเองได้ทำวิปัสสนาว่าอย่างนั้นเมื่อนั่งสงบจิตสงบใจนานแล้วก็มาพิจารณาถึงทุกขังอนิจจังอ น, นัตต า, าไปอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นการพิจารณานึกคิดเอาเองไม่ใช่ สัญญาอันสัญญานั้นพิจรารณาอักษสัญญานั้นสัญญามาจากการศึกษาเราเรียนคนอื่นพูดให้ฟังสัญญาอันนั้นไม่สามารถที่จะทำางานวิปัสนาเกิดขึ้นให้ได้เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆปัญญาเขาไม่หลอกลวจริงๆอันนั้นเป็นการพิจารณาเองดังนั้นความรู้สึกนี่แหละมันจะทาให้ ญาณปัญญาเกิดขึ้นทําให้ปัญญาลอกรูรู้สึกมากขึ้นพลิกมือก็รู้ควบมือก็รู้เอียงซ้ายก็รู้เอียงหัวก็รู้ก้มก็รู้เหยียกตาก็รู้ตาเลือด้ายแลขอดัวก็รู้กูนน้ำลายเข้าไปในลําคอก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้นี่ ยิว่าไม่ต้องดังเหนเงียบตาเป็นหน้าที่ของดูหูเป็นหน้าที่ของฟังดังเป็นหน้าที่ของดมนเน้นหอมกายของเราเป็นหน้าที่ทุกสัมผัสเย็นรอนอ่อนแข็งปากเหล่านี้เป็นหน้าที่กินอาหารหวานเค็มเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจิตใจมันเป็นหน้าที่ของคิดจิตใจมันเป็นหน้าที่ของคิดจิ่งว่างานเข้าไปรู้ เข้าไปรู้ความคิดเพราะสัญญามันเข้ารู้แล้วการเคลื่อนไหวโดยวิทยกรูนจิตใจมันนึกมันคิดรูน้นี่อันจิตใจมันนึกมันคิดรู้น่ะอนานถวัลนามรู้รู้ของความคิดคือเวทนาสัญญาสังขารเวีญนหัมันไม่มีรูปเ้ร่้นามรูปมันคิดขึ้นมามา่ันจะยางไงดังนั้นเมื่อ ตัวของผมปฏิบัติผมรู้อย่างนี้ตัวหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อรู้อย่างนี้ที่ว่าไม่เพื่อใครใครจะพูดอย่างไงก็ตามเราต้องเสื้ออุมการณ์ของเราเพราะเราได้ฝึกหัดอบรมมาดีแล้วเมื่อละมันเหนือทุกเหนือสุขเหนือบาปเหนือบุญได้จริงๆเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วก็เห็นรู้เข้าใจ เพราะอาศัยเวขนาแต่ไม่ต้องอาศัยดอกมันมีแล้วพิชขึ้นก็นรู้เนี่ยควบลงก็รู้หายใจก ah. ็รู้จิตใจมันมึดมันที่ก็รู้เพราะว่ามันมีสัญญานั้นอันนั้นสัญญาของมันมันต้องแสดงตัวมันออกมาเองบัดนี้งานเข้าไปรู้งานเขเข้าไปรู้ไม่ได้เอาหนวมุดเข้าไปตัวผมรู้มันเข้าไปรู้รู้มันรู้เองมันนี่นีหวะ สันทีท่ีโกอันผุ้รู้จะพึงเห็นเองหม่มันรู้เองมันมันเป็นเองมหมเมื่อมันสมบูรณ์แล้วกว็เรียกว่าวิปัจจานิยานเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสัญญารู้งานเข้าไปรู้สัญญารู้จำได้ไม่หลงไม่ลืมเพราะอาศัยญานเข้าไปรู้ญญร ป, รปัญญาจิวรพลรู้รู้ก็เห็นวัตถุเห็นปรามะ เห็นอากาศเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะซึ่งเราได้ก็จ า, ายไปสมมติให้ฟังผ้าเราขาวเถยะก่อนเอาน้ำสีหมายอมสีเต็มกับป๋องเดียวแต่คุณภาพมันดีแล้วก็ปริมาณของมันเต็มกับป๋องเอาไปย้อมผ้าขาวผ้าจะไปกับสีทั้งหมดเลยถ้าเป็นสีดำผ้าก็ต้องดำ ถ้าเป็นสีแดงภาก็ต้องแดงหมดตัวเลยเมือ่องานปัญญาเมื่อสัญญาอันนี้เกิดขึ้นางานปัญญาเข้าไปรู้วิปัตนานี่ว่ะปัญญาเข้าไปรอบรู้ดีแล้วงานสีเต็มกระป่องคุณภาพมันซสื่มไปแล้วไปเป็นปน้ําย้อมไม้เอาไปย้อมผ้าขาวมันจะไม่ติดมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องวัดได้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ ได้นะแต่เวทนามีอยู่ไม่ทุกสัญญามีอยู่แต่ไม่ทุกสังขารมีอยู่แต่ไม่ทุกวิญญาณมีอยู่แต่ไม่ทุกเพราะทําลายโสะโมหะโลพะให้ลดน้อยลดเบาลงไปแล้วเนี่ยเมื่อเห็นอนิจยานอย่างแจ่มแจ้งแล้วก่อเห็นรูน้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้กันมันสนุนเนี่ยรู้มากเข้า แต่งญญานมีมากเข้างานปัญญางานของนิพัน์นาเข้าไปรู้เมื่อว่าปัญญารอบรู้เห็นกิเลสเห็นปัญหาเห็นอุปาทานเห็นกรรมสิ่งเหล่านั้นจูจางไปเหมือนกับน้ำสีมันไหม้นั่นเองงอมผ้าไม่ติดเมื่อสิ่งเหล่านี้จูจางหายไปแล้วสิ่งจึงปรากฏ ไม่ได้สินห้าสินแปดสิน 10, สน 7, ิสินสองร้อยี่สิบเจ็ดไม่ได้สินอันนั้นสินคือเป็นปกตินี่เองเมื่อปกติแล้วกายเป็นปกติกายเทปหูเป็นปกติหูเทปตาเป็นปกติตาเทปท่านว่าอย่างนั้นเนื้อหูเทปตาเทปมันสมดูรแบบอยู่ที่ตรงนี้เราไม่ศึกษาที่ตรงนี้มันก็เลยไม่รู้ มันก็เลยไม่เข้าใจเป็นอย่างเมื่อศีลนาคแล้วก็เในสมัยนั้นนี่ว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมันเกิดขึ้นมาภายในจิตใจสำนึกมันเข้าใจจากนี้หลวงพ่อจึงสมมติว่าขันถ้าขันดีเอาไปตักน้ําได้กินถ้าขันแตกเอาไปตักน้ำไม่ได้กินถ้าขันดีเอาไปตักข้าวเสบ่าให้พระโหน้าเอา ขันแตกขันจกโปกไปตักเข้าใจบาทให้พระ ก, ก็ไม่สวยไม่น่ามขันจึงเป็นมวดมือกลุอองตาก็เป็นขันมวดตาหูก็เป็นขันมวดหูจมูกก็เป็นขันจมวดเนีย่ยมวดจมดูกกายสัมผัสก็เป็นขันพวกกายม้นปากเราเนี่ยกินอาหารหวานเข็นเข้าไปก็เป็นขันจิตใจมันนึกมันคิดก็เป็นขัน ย้วขันแปลว่ามวดมือกุ้มกองกันก็เลยเข้าใจว่าขันตัวต่อสู้รองรับรองรับได้ตะแดดนอนฝนก็ได้ฝนตกก็ไม่เดือดร้อนแดดออกก็ไม่เดือดร้อนเพราะขันเราดีย้วยขันอาทิติ์สิงศิขาอาทิตยจิตาศิกขาอาทิตปัญญาศิกขาตำลาวว้สิกขาแปลว่าทําให้มันมุนให้มันแหลกไป ขี้ขาคือลงสีเหล่านี้เอาเข้าไปโยนเข้าลงสีลงสีมันบดออกมาเป็นให้เข้าสารออกมานี่บางทีก็เป็นไม่เข้าวักออกมาบางทีก็เป็นแก่กเป็นหนามออกไปที้ขาเปีวบดเปียวทะลุอาจารมาไม่เคยเรียนหนังสือเอามาเปรียบเทียบเลยนี้ขันจ้าเปีว่าต่อสู้ลองรับนี่เมื่อเข้าใจอย่างนี้ไปเห็นแก้งลูกจริงก็เลยรู้จักกรรมฐานขึ้นมา ถ้าม า, านไม่รู้มีใจพิจนาวเองให็นเป็นอย่างนั้นก็เลยเห็นรู้เข้าใจกามจำพวกกรมนะกามาสาวะภาวาสะวะาวะอวิสาสาวะจำพวกทำคมสงบงานหรือสัญญาปัญญาไม่หลอกลู้พวกที่จะเลยนปัสสนมีสัญญาเข้าไปรู้ เรื่องงานของวิปัสนาก็เกิดขึ้นปัญญากรอบอยู่มันเข้าไปรู้ไม่ได้บุกหัวเข้าไปมันเป็นยังไงเราก็ไม่พูดไม่ได่อันนี้เมื่อกว่ากามจำพวกไปทําคนามสงบนั่นแหละกามมาลม้มยินดีในอารมณ์อันนั้นอันนี้แหละว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละไม่เป็นธรรม นั่นแหละไม่เป็นดีไหนนั่นแหละไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเนี่ท่านสอนเอาไว้มันตกอยู่ในอนาจของกามมันสงบอยู่กับกามมันเองหยุดกามมาสาวะอาสาวะคือกิเลสทันวันภาวาสะสาวะมันี้มันตกอยู่ในภพชาติของการเกิดแก่เจ็บตายมันตกอยู่ในภพความทุกข ท่าน ว, านนว่าจะนะจ๊ว่ะตกอยู่ในใต้โมหะจึงพวกทำสมถะกรรมฐานจึงไม่สามารถทําความสว่างขึ้นมาได้ตกอยู่ในความมืดคืออยู่ในถ้ำนี้เองแต่เราจะสงบมาการเห็นแจ้งก็ตามแต่ความมืดมาอยู่ในเราเพราะเราอยู่ในถ้าจึงไม่รู้จักอะวิสสาสาวะอสาสวะคือกำนี่อะวิสสาคือความไม่รู้แต่มันรู้รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้เนี่ยรู้อย่างผู้ลูก็ต้องเห็นแจ้งรู้จริงรู้อย่างไม่รู้ก็จะสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีสัญญาไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไม่ไหวแน่มันเบียดเบียนตนเองขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้ตัวเองนะพูดอย่างเรื่องตัวเองในไม่ได้พูดเรื่องคนอื่นนะจึงว่าเคยพูดใครต้องการความสงบจะสอนให้แต่ไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า จะสอนให้ไม่เกินสามสิบวันทำกันติดต่อกันจริงๆเราจะแนะนาให้แต่อันนั้นมันไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นคำสอนของลูศีสีไทยมันมีมาก่อนมูมาก่อนพระพุทธเจ้าที่ว่ากรรมฐานอันกรรมฐานนั่นอ่ะมันมีมาก่อนแต่วิปัสสนาก็มีซื้อมันซื้อของมันว่าวิปัสสนาเรยว่าเห็นแจ้งรู้จริง ต่างเกาล่วงถาว่าเดินนี่จีว่ามีสินสมบูรณ์เนี่ยสินจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาวปัญญาจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางก็การอามณนี่เองยินดีพอใจรักใครในอารมณ์เหล่านั้นอันนั้นเนี่ยกิเลสอย่างกลางปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดเพราะเพราะอภิษากดแล้วเห็นแจ้งด้วจริง เห<ท>็นจิตใจมันนึกมันคิดถ้าจะพูดไปตามอารมณ์ก็มากมายยาวยืดไปจริงๆรับรองได้อ้าวบบ น, นี้ก็พูดกันตัวสุดท้ายเพราะว่าเวลาก็เห็นว่าสมควรแล้วจึงจะพูดให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายแบบ น, นี้ไม่ต้องพูดตามขั้นตอน ก่ อ, อนที่จะตัดสินใจได้ว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาทำความรู้สึกเดินกลับไปกลับมาตอนเสาร์ตอนเสาร์เดงกลับไปกลับมามันคิดก็รู้มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้ดูอย่าแค่นั้นเองเอาจะ่ควมรู้สึกตัวเท่านั้นเอง มันนึกมันคิดอะไรก็รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เมื่อเอัศญะได้เนี่ยนี่แหละรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้พอดีเดินกลับไปจะมาคลายคล า, ายคือเราทอดเสื้อนี่ทอดของในตัวเราออกหมดแล้วก็เบากายเบาใจมันเป็นขณะเดียวกันนะนี่พูดให้ฟังแกความเร็วของมัน ขาดออกไปช่วงออกไปเลยจะไม่ใช่เป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเห็นตัวของตัวเอมันขาดออกจากกันมันไม่ใช่ขาดคือเสื้อเท่นะคือธรรมชาตมันขาดออกมันติดต่อกันไม่ได้ยิ่งเปรียบว่าเอาเสื้อในนอ่อนก็ตามพวกไว้ส่วนนั้นคือตัดตรงการดึงเข้าหากันมาไม่ถึงยิ่งอ่ะมันไม่ถึงกันก็การไปก็ไม่มีการมาก็ไม่มีมันเข้าสู่สภาพของมัน รูปนี้มันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้วใจนึกใจคิดมันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้วอันนี้แหละที่ในตำลักตำราผู้บอถึงที่สุดแล้วงานย่อมมีถึงที่สุดแล้วงานย่อมมีนี่เพราะสัญญาความหมายรู้และจำได้งา น, นีิปัสนาเข้าไปรู้ปัญญาเข้าไปรอบรูปมันทั้งสามอันนี้มัน เดี่ยวทอนั่นเองเรื่องนี้จึงไม่ต้องถามใครเรื่องนี้ไม่ต้องถามใครเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีอยู่ในคนทุกคนเมื่อเรายังไม่พบไม่เห็นในขณะนี้จวนจักลดลมหายใจต้องแนนอนที่ตุกทุกคนต้องประสบเรื่องนี้อันนี้ท่านว่ามืดมาสว่างไปมืดมาสว่างไปแก่พรเราไม่รู้ บัดนี้เรารู้แล้วจะไปไหนมาไหนทําการพูดคิดเราก็สว่างแล้วท่านวัดบัด น, นี้มืดมามืดไปไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่สนใจจนตายเนาเข้าลงก็มืดไปสว่างมาสว่างไปเนี่เกิดมาไม่เคยทําคุณชั่วเคยทําแต่คุณดีก็งานแล้วก็จเจริญนิพพาน รู้แจ้งเหตุจริงเม่ยว่าสว่างมาจิตใจไม่สศาหมองสว่างไปก็เห็นแจ้งรู้จริงนี่เองวันนี้สว่างมามืดไปไม่ไม น, นี่เกิดในตระกูลอันดีพ่อแม่เคยฝึกเคยสอนเคยให้สอนให้ถามให้รักษาสิให้มีจิตใจพองใสแต่ไม่เคยจเจริญวิปัสนา เอกก็ต้องตายถนวดสว่างมามืดไปเพราะไม่รู้ไม่เห็นแจ้งไม่รู้จริงนั่นเองเราเคยได้ยินด้วยฟังมาแล้วครูบาอาจารย์สอนมาว่าคนเกิดมาร้อยปีถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นสภาพดุภาวะอาการเกิดดับของชีวิตหรือของจิตของใจของรูปนี้ชีวิตของคนนั้น ไม่มีค่าไม่มีราคาเรียกว่าชีวิตเป็นมันวาจานี้กอได้คนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริทราบซึ้งอยู่กับสิ่งนั้นชีวิตคนนั้นประเสริฐยิง่งประเสริฐยิ่งกว่าบุคคลผู้ที่มีอายุเป็นอยู่ร้อยปีเกิดมาเพียงวันเดียวนะแล้วมันจะ ทิพย์ทีปตีนโตได้ทาไมคนเกิดมาเพียงวันนี้ถ้าเราฟังธรรมะคำสอนของผู้รู้เกิดทราบซึ้งเข้าใจอันนั้น่าเกิดมาเพียงวันเดียวเกิดรู้เกิดเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยท่นวัดมือมาสว่างไปเนี่ยเพราะเข้าใจนันเองบัด น, นี้เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามเดือนมาร้อยพัรษาถ้าหากไม่รู้ ไม่เห็นไม่เข้าใจสภาพหรือภาวะาการเกิดดับของรูปของจิตของใจนี้การบวชของผู้นั้นก็เป็นมันท่านวันยางนั้นไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเลยท่านวันบัดนี้บุคคลที่บวชเข้ามาเพียงวันเดียวหรือเอาเมฆโก น, น, นใส่ผมตัดผมไปคาดออกไปเลยเก็ควมรู้ข่มเข้าใจ เรื่องอาการเกิดดับของลูกเข้าสู่สภาพของลูกใจเข้าสู่สภาพของใจชีวิตของบุคคล น, นี้เนี่ยดีกว่าประโยชน์กว่าบุคคลผู้ที่บวชมาร้อยพันสาวทันไอย่างนั้นอันนี้ปู่บาอาจารย์พ่อแม่ปูย่ย้าตายายเคยเล่าสู่ฟังก็จำได้ด้วยอย่างนี้นั่นการทำพูดคิดถูกต้องศึกษาจริงๆ จึงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจจริงๆแต่ทุกคนหนีไม่พ้นเรื่องความตายเกิดมาคนหนึ่งตายคนหนึ่งเกิดมาสองคนตายสองคนคนทุกขก็ตายคนรวยก็ตายคนเรียนหนังสือมากๆก็ตายคนไม่ได้เรียนหนังสือก็ตายขุ่มตายนั่นจึงแน่นอนที่สุดจึงไม่ต้องกลัวตายแต่อย่างเดียวคือไม่ต้องเกิดแล้วก็ไม่ต้องตายอันนี้แต่ว่า ไม่ไปไม่มาก็ได้เหมือนกันมันคาดออกจากกันแล้วไม่ติดต่อกันแล้วไม่ไปไม่มาก็คำเดียวกันอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกคำเดียวกันไม่ให้มันถึงกันดูผู้หญิงให้เป็นในสภาพสภาวะไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายไม่งามไม่สวยเสียงปากเสียงพูดก็ไม่พะเพราะมันคาดออกจากกันแล้ว ยางมันหยุดยางมันแห้งยางมันหยุดยางมันแห้งเมื่อเป็นเช่นนั่นเด็ดพระพุทธเจ้าท่านกนว่าวสัตว์ทั้งหลายคือเราจะถาคดสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคดเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก็พยายามสแสวงหาในการกระทำ ในการพูดการคิดท่านว่าอย่างไรหนูนกับคนอยู่ในถ้าคนตกน้ําำพกหัวขึ้นมาไม่ได้พกขึ้นมาพอดียันขึ้นมาจนติ้งไปตายไปเลยเนี่ยท่านว่าอย่รบัดนี้ท่านว่าสัตทั้งหลายเราพูเป็นตถาคตไปถึงแลงแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลาย ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคุณนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคุณนี้ทัานสองต้องรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกั น, เ, น, กนเป็นเหมือนกั น, นมีนนเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าไม่ผิดกันเลยจ้าวพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียพูดเป็นภาษาอินเดียสําหรับหลวพ่อหืออาตามานี่เป็นคนไทยลอยเปิดศิ์แต่พาาูดภาษาสําเนียงภาษากลางก็ยังไม่เพอะ เพราะว่าบ้านตัวของหลวงพ่อนี่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่นู่นดินในน้ำโขงนี่ว่าบ้านบุพมตําบลบุพม์อำเภอเสียงคานจังหวัดเลยติดกับดินลาวการพูดภาษาสำเนียงภาคกลางก็ไม่เป็นเพราะไม่ได้เรียนหนังสือไม่เคยเรียนหนังสือจึงพูดภาษามันไม่ถูกแต่ภาษาสำเนียงพื้นบ้านพูดได้ แต่มาพูดให้เป็นภาษากลางพูดไม่เพราะเพราะไม่เคยเรียนหนังสือบัดนี้คนอินเดียพระพุทธเจ้าพูดกันแล้วรู้เรื่องทันทีไม่เป็นอย่างนั้นคนไทยที่พูดให้ฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจอันไม่เข้าใจนั่นเพราะอะไรเพราะอิเลมันยึดมันถือเพราะมันมืดอยู่ใน ใ, นใจเพราะมันมีโมหะ เพราะมันโลภเมื่อพูดไปไม่ถูกใจโกรธเกลียดสั่งขึ้นมาเนี่ยอันนั้นแหละพระพุทธสอนว่าให้มันหลุดไปจากสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้จื้อจางหมดไปแล้วนั่นแหละคือไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็จะรู้จะเห็นเข้าไปสัมผัสได้ดังนั้นจิตใจของคนนั้นมันมีความสงบ มันเป็นอุเตขาอยู่แล้วอย่างที่พูดแล้วสักในรักษาเวลามันนอนสบายเพราะจิตใจมันว่างมันเป็นอุเตขาคนมันต้องศึกษาได้ทุกคนถ้ามีคนพูดคนสอนโดยควรจริงแล้วอันนี้เนี่ยเอาจิตใจที่ว่างสะอาดเนี่ยไปทําการทํางานพูดคิดทําไปทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นเพราะเป็นแม่อรุจจากหน้าที่การงาน เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันคนรู้จักหน้าที่การงานเป็นครูไปสอนหนังสือก็เป็นผู้รู้จักหน้าที่การงานเป็นตำรวจทหารคนรู้จักหน้าที่การงานเป็นนักเรียนไปเรียนหนังสือคนรู้จักหน้าที่การงานไปเพราะปลุกเปกขาวางเสยไม่ต้องยึดต้องถือคนคิดมันคิดแล้วก็ผ่านไปคิดมาแล้วก็ผ่านไปอยู่ในปัจจุบันไม่ไปอยู่อดีตไม่ไปอยู่อนาคต ต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็ไม่อยู่ด้วยโลหะอยู่ด้วยสติปัญญากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเกิดขึ้นที่ตรงนี้กิเลสพันห้าก็เกิดขึ้นในอดีตห้าร้อยเกิดขึ้นอนาคตห้าร้อยเกิดขึ้นปัจจุบันห้าเราก็เป็นพันห้าเพราะไม่ให้จิตให้ใจนี้เองตัณหาร้อยแปดเกิดขึ้นในอดีตสามสิบหกเกิดขึ้นในอนาคตสามสิบหก เกิดขึ้นปัจจุบันสามสิบหกก็เป็นตันหานลอยแป๋เพราะอยู่ด้วยโมหะโธสะโลภะมีเองถ้าเราอยู่กับปัจจุบันด้วยสัญญาด้วยญาณปัญญาปัญญารอบรู้เกิ ด, ดขึ้นไม่ได้นี่แหละพระเบิดสอนให้แก้ปัจจุบันให้แก้ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัญญ า, าเท่าที่นำมาเล่าสู่ฟังมี่คนเห็นว่าสมควรแล้ว ท้ที่สุดนี้หลวงพ่อเลื่อมพัสมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและถ้าทำคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระตาสาวกพระสัมมาสัพพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลวแห่งนั้นเนือจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตะถาคุนนี้ว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างเราตะถาคุนนี้ขอให้เราทุกคนจงประสบพบเห็นในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเออ